พระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนอกคือเมื่อจิตสงบแล้วหลายครั้งหลายหนก็เรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้สำคัญมากนะในศาสนาพุทธของเรานี้อันนี้ไม่ค่อยมีใครเอาออกมาจบพระไตรปิฎกก็จบเธอะเรียนขนาดไหนก็เรียนเถอมีแต่ความจดความจำลูกคลมกันไปอย่างนั้นแหละ เรียนจบพระไตรปิฎกเราอยากเข้าใจว่าคนนั้นมีหลักมีเกณฑ์นะก็เราเรียนมาแล้วนี่นะพระไตรปิฎกเราก็ค้นเส้จนแหลกจะว่าไงคนเพื่อจะนำคติธรรมอันสำคัญสาคัญออกไปปฏิบัติไม่ใช่ค้นเพื่อความรู้ประจางแจ้งและแสดงตัวเป็นคนรู้หลักนักปราชญ์อย่างนั้นอย่างนี้เราไม่คิดอย่างนั้นนะเราเรียนเราค้นพระไตรปิฎก เราค้นเพื่อหาหลักหาเกณฑ์ที่จะนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจสอนตนเวลาออกปฏิบัติเราจึงได้คนนี่เรียนไปเท่าไหร่เรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์จนกระทั่งถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานนิพพานมีหรือไม่มีนะสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ มีหรือไม่มีนะนี่คือการเรียนลูกคลาไปตลอดจนกระทั่งจบพระไตรปิฎกก็ลูกคลาตลอดหาความจริงไม่ได้ที่นี้สมาธิจึงไม่มีในความจำมรรคผลนิพพานจึงไม่มีในความจามีในความจริงเท่านั้นท่านว่าปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียน เป็นแบบแปนแผนผังเรียบร้อยแล้วทันชีเข้าไปตรงไหนให้ทำอย่างนั้นทันชีว่าให้ทำสมาธิเอา้าทำสมาธินี่เรียกว่าเป็นภาคปฏิบัติแล้วนะเพราะเราปฏิบัติเป็นสมาธิสมาธิในตํหราตําราท่านบอกว่าความสงบความแน่นหนามั่นคงของใจเรียกว่าสมาธินั้นเป็นชื่อนั้นเป็นตัวหนังสือ ไม่ใช่ตัวสมาธิแท้เมื่อเราปฏิบัติตัวของเราเข้าไปจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าจิตสงบความสงบก็ใจของเราเองสงบอ๋อใจสงบเป็นอย่างนี้แล้วตำราเป็นอย่างนั้นใจสงบแท้เป็นอย่างนี้ตัวจริงเป็นอย่างนี้ตำราเป็นอย่างนั้นเป็นชื่อเป็นนามนี้ตัวจริงเป็นอย่างนี้ จากนั้นก็เป็นสมาธิแน่นหนามั่นคงขึ้นไปอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่เข้าไปนี่ภาคปฏิบัติรู้ตรงไหนแน่นอนตรงนั้นๆไม่ลูกคลานะําณะภาคปฏิบัติเอาสมาธิขั้นใดไม่ต้องไปถามใครเมื่อปรากฏขึ้นในใจอ๋อสมาธิเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีแต่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ไม่มีคำว่ารูปคลัมสมาธิในภาคปฏิบัติแล้วแน่เข้าไปแน่เข้าไปถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันเมื่อสมาธิมีภูมิเต็มกำลังความสามารถที่จะคิดอ่านไตรตรองด้วยปัญญาได้แล้วเพราะจิตอิ่มตัวไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆหิวโหวยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสจิตไม่หิวโหวยเพราะจิตมีสมาธิสงบตัวเรียบร้อยแล้ว พอออกจากความสงบตัวแล้วเอา้าก้าวทางด้านปัญญาปัญญาท่านให้พิจารณาอย่างไรให้พิจารณาสกลกายเรื่องธาตุเรื่องขันสกลกายของเราเรื่องอสุภะอสุพังความเน่าความเหม็นความเปื่อยความผุพองหนองไหลในร่างกายของเรากระทั่งเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตา ความแปรสภาพความเป็นทุกข์ตลอดถึงอนัตตาความหาตนหาตัวไม่ได้ปัญญาของเรากระจ่างไปโดยลำดับลำดับพอกระจ่างไปตรงไหนแก้กิเลสไปตรงนั้นๆอ๋อท่านแก้กิเลสท่านแก้อย่างนี้นั่นเห็นแล้วนะปัญญาเป็นอย่างนี้เองปัญญาในธํามรามีแต่ลูกคลาสงสัยตลอดเวลา ปัญญานีนความจริงไม่ได้ลูกคลำอ๋อๆเรื่อยๆละ่ะปัญญาเป็นอย่างนี้อ๋อท่านแกกิเลสท่านแก้อย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งถึงก้าวขึ้นสู่ปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นปัญญาสำคัญมากนะในปริยัตในที่ไหนก็ตามถ้าไม่ได้เข้าไปภาคปฏิบัติแล้วยังไงก็ไม่รู้ว่างี้เลย ต้องเป็นภาคปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรู้พระพุทธเจ้าพระาอารหันต์ท่านรู้จากภาคปฏิบัติทีนี้พอก้าวเข้าขั้นปัญญาปัญญาเริ่มแรกต้องได้บังคับบัญชาให้พินิษย์พิจารณาเสียก่อนเรายังไม่เห็นผลงานตัวเองย่อมทะเลทะไหลได้ทะเลทะไหลไม่ได้ไปไหนนะปัญญาขั้นนี้ จะทอนเข้ามาสู่สมาธิคือความสงบใจไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการงานอะไรทั้งนั้นจะมีแต่ความสงบเย็นใจสบายแนวอยู่ทั้งวันอยู่ได้คนที่มีสมาธิอยู่ตลอดอยู่ที่ไหนอยู่ได้สบายเพราะมีอารมณ์อันเดียวไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเหยิงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆไม่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มายุ่งเกี่ยวก่อกวน มีแต่ความสงบแน่วก็อยู่นั้นได้เพราะฉะนั้นพวกที่มีสมาธิจึงติดสมาธิไม่ได้เกิดปัญญาปัญญาไม่เกิดต้องได้ขุดค้นจากสมาธินี้ออกมาทางด้านปัญญาปัญญาทีแรกก็ยังไม่เกิดก็ต้องได้บังคับบัญชากันเมื่อบังคับบัญชาจนกระทั่งเกิดความเข้าใจแล้ว ทีนี้ค่อยดูดดื่มไปดูดดื่มไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เห็นผลประจักแล้ว้ เ, เรื่องความเชื่อความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกเป็นอันเดียวกันมาเลยกับความรู้จริงเห็นจริงนั้นอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้จนกระทั่งก้าวสู่ภาวนามายาปัญญาปัญญาประเภทนี้ไม่มีเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบ ท่านบอกไว้เป็นกลางๆว่าภาวนามยปัญญาเพียงเท่านั้นผู้ไม่ได้ทำภาวนามยปัญญานี้จะไม่ทราบเลยว่ารสชาติของภาวนามยปัญญาเป็นยังไงจึงต้องมีในภาคปฏิบัติเท่านั้นภาคปริยัติไม่มีมีแต่ตารา บ, บอกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วน ทีนี้ปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆมันเกิดยังไงน่ะไม่รู้ต้องผู้ปฏิบัติอ๋อปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเกิดขึ้นอย่างนี้เอง